5.5. ความการุณาเป็นแรงจูงใจฝ่ายกุศลที่ยิ่งใหญ่วงเล็บเปิด 29. พฤศจิกายน2550นาในวงเล็บสองจุดจุดนาทีสวงเล็บปิดแรงขับฝ่ายกุศลก็มีอย่างความการุณาเป็นแรงขับฝ่ายกุศลที่ยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าเป็นพระอารหันต์แล้วอาศัยความการุณาออกมาลำบากอีก45ปี ท, ทั้งทั้ที่ท่านควรสบายของท่านอยู่องค์เดียวมีโมทฟในวงเล็บ แรงจูงใจฝ่ายดีอยู่คือความการุณาผลักดันเพราะฉะนั้นเราภาวนาไม่ใช่ว่าหมดความอยากแล้วเราจะเฉยไม่เฉยเลยนะจะขยันขันแข็งเพราะขี้เกียจมันเป็นกิเลสเราจะไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าอยากแต่ทำเพราะว่าสมควรทำ